มนุษย์จะหมดปัญหาต้องอยู่ด้วยปัญญาที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติจากวิธีของปัญหาสู่วิธีแห่งปัญญาที่พูดมานั้นคือว่าไปตามเรื่องของธรรมดาของธรรมชาติตามที่มันเป็นของมันทีนี้พอหันมาดูในแง่ของมนุษย์ที่ไปเกี่ยวข้องกับมันหรือเอามันมาเป็นเรื่องของมนุษย์ สภาวะที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำหรับปัญญาจะรู้เข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติต่อมันและเกี่ยวข้องกับมันด้วยความรู้ของปัญญานั้นเรียกว่าเท่าทัานกันแต่มนุษย์มักมีจิตใจซึ่งมีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าใหญ่และมนุษย์ก็มักอยู่ในขั้นของการเข้าไปเกี่ยวข้องปฏิบัติจัดการกับสรรพสังขารในโลก ด้วยการเอาความอยากความปรารถนาเป็นตัวกำหนดโดยที่ว่าเมื่อจำเป็นจึงเอาปัญญามาใช้แค่สนองหรือรับใช้ความปรารถนานั้นมิใช่ให้ปัญญามาเป็นใหญ่ที่จะชี้นำบอกทางแก่ความปรารถนาของจิตใจและความอยากความปรารถนานั้นโดยทั่วไปก็เด่นออกมาในระดับของสภาวะที่เรียกว่าตัณหา และตัณหานั้นก็มาในระบบของชุดที่เรียกว่าอาวิชชาตัณหาอุปาทานจากตัณหาในชุดที่ว่านี้มนุษย์ก็ประสบเรื่องราวมากมายที่เรียกว่าปัญหาซึ่งเป็นภาวะที่เป็นทุกข์ของมนุษย์จุดแยกสำคัญจึงหมายถึงการมีวิถีชีวิตที่ลดละปัญหาผ่อนเบาปลอดพ้นทุกข์ด้วยการมีปัญญาเป็นเจ้าใหญ่ ที่รู้เข้าใจความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายตามกฎธรรมชาติที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งจะพาให้ปฏิบัติจัดการกับมันด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันความจริงของมันที่นี้สำหรับมนุษย์ที่ไม่เข้าสู่วิถีแห่งปัญญาพูดง่ายๆว่าอยู่กับความปรารถนาของจิตใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจที่จะรู้จักเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย แต่เขาก็ไม่มีทางล่วงพ้นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ผจญกับลักษณะและอาการที่เป็นความจริงของมันเพราะเป็นธรรมดาของความเป็นไปที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือที่จริงนั้นเขาก็อยู่กับโลกและชีวิตของเขาที่รวมอยู่ในสภาวะที่เป็นสัพพสังขาร น, นั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นไปได้ซึ่งล้วนพาเขาไปพบกับกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์และปัจจัการ ไม่มีทางพ้นไปได้ทีนี้สำหรับคนที่มีความอยากความปรารถนาเป็นเจ้าครองใจนั้นเขาอยากได้ความเที่ยงแท้ถาวรแต่ก็ต้องพบกับอนิจจตาก็เป็นความขัดขืนปืนใจไม่สมปรารถนาเขาอยากได้ความง่ายดายไม่ติดขัดให้เป็นอย่างใจแต่ก็ต้องเจอทุกขตา ที่ฝืนความปรารถนาบีบคั้นใจเขายึดเขาถือนั่นนี่เป็นของเขามันจะต้องเป็นไปตามที่เขาเรียกร้องต้องการแต่เขาก็ต้องจำยอมแกอนัตตาที่มันไม่ตามใจสนองคาสั่งของคนที่ถือตัวเป็นเจ้าของแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในปัจจัการของมันนี่คือเบื้องหลังความปรารถนาของตัณหานั้น มีอวิชชาความไม่รู้ทั่วถึงไม่เท่าทันสภาวะที่เกี่ยวข้องปกคลุมห่อหุ้มอยู่และด้วยความปรารถนานั้นก็เข้าไปหาไปสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอุปาทานที่ยึดถือค้างคาผนวกไว้กับตัวตนเป็นที่มาของทุกข์ในตัวตนและขยายทุกข์ออกไปในการแย่งชิงข่มเหงเบียดเบียนกันในหมู่มนุษย์เรียกรวมเป็นชุดว่า วิชาตันหาอุปาทานรวมความว่าในวิถีของจิตใจที่ตันหาเป็นเจ้าใหญ่นั้นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสรัรพพสังขารหรือบรรดาสภาวะธรรมจะได้พบประสบสิ่งเหล่านั้นในภาวะที่มันเด่นออกมาในลักษณะที่พร้อมเหมือนเตรียมหรือรอที่จะบีบคั้นกดดันขัดขืนฝืนใจ ไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาหรือที่จะไม่ให้ความสมใจปรารถนาซึ่งรวมแล้วเรียกให้สะดวกสั้นๆว่าทุกพูดเป็นสํานวนความว่าจากทุกที่เป็นธรรมดาแห่งสภาวะของสังขารก็ขยายออกมาเป็นทุกในใจของคนตามที่ว่านี้คำว่าทุกจึงเป็นคำสำคัญสาหรับมนุษย์ โดยที่ว่าในการที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขาร น, นั้นทุก์ได้มีความหมายขึ้นมาหลายชั้นความหมายชั้นที่หนึ่งโดยพื้นฐานทุกก็คือภาวะที่เป็นธรรมดาของบรรดาสังขารหรือสังคตธรรมซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสลายไปบีบคั้นให้คงอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปความหมายชั้นที่สองสังขารเหล่านั้นเองซึ่งรวมทั้งขันห้าที่เป็นเนื้อตัวชีวิตของคนในภาวะที่มันเป็นทุกข์ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเมื่อเข้ามาในสายตาของมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยมีอวิชชาตันหาอุปาทานครอบงำกำกับใจอยู่ก็กลายเป็นว่า มันแฝงเอาหรือมีศักยภาพอยู่ในตัวของมันที่พร้อมจะขัดขืนฝืนใจกลายเป็นความบีบคั้นก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความทุกข์ขึ้นแก่คนในเมื่อมันไม่สามารถเป็นไปตามความยึดความอยากความปรารถนาคือไม่สามารถสนองตัญหาอุปาทานของคนนั้นได้จริงดังคําสรุปที่ว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ซึ่งมีความหมายว่า ขันหที่ยึดถือคาใจไว้ด้วยอุปาทานนั้นเป็นทุกข์ในความหมายว่าเป็นที่ตั้งของทุกข์คือมีศักยภาพที่พร้อมจะก่อกำเนิดทุกข์ขึ้นแก่คนนั้นๆความหมายชั้นที่สทุกข์คืออาการของจิตใจที่เป็นความรู้สึกบีบคั้นกดดันไม่สบายที่มนุษย์เข้าใจกันอยู่ทั่วไป เป็นภาวะขัดแยง้งจากความเป็นไปที่ขัดขืนฝืนความปรารถนาซึ่งเกิดขึ้นจากอาวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นทุกข์ที่จะไม่เกิดมีหรือจะสลายไปได้ด้วยวิชาตั้งต้นแต่ปัญญาที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทุกข์มีเพราะขึ้นต่อปัจจัยเมื่อพัฒนาถึงวิชาอาวิชชาหายไปถึงปัจจยไัไ ตัณหาอุปาทานหมดที่อาศัยหมดสิ้นปัจจัยทุก็ดับคือไม่มีอีกต่อไปอยู่ด้วยปัญญาเป็นสุขอย่างอิสระสืบไป